เจ็ดเดือนบรรลุธรรมตอนก่อนเหยียบบันไดขั้นแรกหัวข้อคนธรรมดาฉันเป็นคนขี้เหงาอย่างร้ายกาจแล้วฉันก็เป็นคนคิดมากจนเครียดหนักบ่อยๆจนบางวันฉันก็นั่งแช่นอนแช่อยู่ในท่าเดิมได้เป็นชั่วโมงเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรแล้วก็ไม่อยากเจอหน้าใคร ในอารมณ์นั้นฉันเคยคิดหาคำตอบอยู่เหมือนกันว่าคนเราเกิดมาทำไมและทำไมต้องทนเซ็งมีชีวิตตั้งนานหลายๆ10สิบปีเพียงเพื่อวันหนึ่งจะต้องเป็นบุคคลสาบสูญไปจากโลกนี้ชัว่วนิรันดร์แต่ฉันก็มีสายตาให้กับลวดลายสีสันที่หน้ามองบนโลกไม่ต่างจากคนอื่น พวงเวลาที่ได้สัมผัสกับเรื่องที่ตัวเองพอใจแรงๆฉันก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งที่หมดเหงาเครียดไม่เป็นเอาแต่หัวรอดสนุกรวมทั้งเหลือคำถามเดียวในหัวคือทำอย่างไรจะอยู่เสพสุขให้สะใจในโลกนี้ได้นานๆเคยนึกว่าถ้าแอบถ่ายรูปคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างฉันไว้ทุกอาทิตย์เก็บเก็บไว้สักห้าสบสองใบให้ครบปี และเอามารวมรวมดูฉันว่าน่าจะเห็นอะไรดีๆที่ทำให้ได้ข้อคิดมากมายเพราะสิ่งที่รูปทั้งห2บใบจะแสดงร่วมกันแน่นอนคือความแตกต่างความไม่คงเส้นคงวารูปหนึ่งอาจกำลังยิ้มแฉ่งอีกรูปอาจกำลังคร่ำเครียดขณะที่รูปส่วนใหญ่อาจกำลังเหมือตาลอยอย่างเห็นได้ชัด ไม่รู้ว่ากําลังสุขหรือทุกข์เพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่งกันแน่หากนํารูปห้าสิบสองใบมาเรียงกันแล้วแปลแต่และรูปให้เป็นจุดแสดงระดับความสุขความทุกข์ฉันก็เชื่อว่าเส้นกราฟคงกระโดดขึ้นกระโดดลงน่าดูกับทั้งทําให้มองเห็นธรรมดาของคนธรรมดาว่าของมันต้องเป็นอย่างนี้แหละขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นบางทีมาก บางทีน้อยหาชีวิตใครเป็นเส้นตรงราบเรียบเท่าไม้บรรทัดไม่ได้หรอกแต่ก็น่าฉงนที่คนปกติทั่วไปรวมทั้งฉันด้วยจะมองไม่เห็นธรรมดาที่ว่านี้มนุษย์ทั้งเผ่าพันธุ์พากันคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นคืออธิษฐานขอให้เส้นกราฟ พ, พุ่งขึ้นมาสูงถึงจุดหนึ่ง แล้วแลลนเรียบเป็นเส้นตรงคงที่อยู่อย่างนั้นอย่าได้พลัดตกหล่นร่วงลงเลยเจ้าประคุณเอ้ยวันเดือนปีล่วงไปฉันใช้ชีวิตของคนธรรมดาโดยไม่เคยสำรวจว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มรู้แต่ว่าขอให้วันหนึ่งหนึ่งผ่านไปเท่าที่พอใจเป็นใช้ได้จะเอาอะไรมากกว่าใจที่พอกันหลับ